พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ธันวาคม2558มีชื่อเรื่องว่าสร้างวัดสร้างพระสร้างภิกษุณี เมื่อเช้าชนีชนีสมชายของเราร้องแต่เช้านะเมื่อเช้าเลยนะร้องบอกเตือนพวกเราเหมือนคงจะเข้าหน้าหนาวแล้วมั้งเตียงพ้าหมนะเตียงเครื่องกันหนาวน้ามันจะเข้าหนาวแล้วน้านะ่สมชายมันร้องเมื่อเช้าถ้าช่วงไหนฝนจะตกมันก็ร้องเหมือนกันนะระวังพายุนะฝนนะ แต่บางทีมันก็คงจะนอนหลับมั้งทำไมจึงว่านอนหลับเออมันร้องพอตอนเช้าเนีย่ยพอตอนบ่ายพายุเข้ามาอย่างแรงเลยโอ้โหชมชายมันเตือนใกล้เกินไปวันนี้วะมัก็มีเหมือนกันนะเ อ, อพอมันร้องตอนตอนเช้าเนีย่ยร้องอย่างโอ้โหขมักขมันจริงจริงว่ะเอ อ, เ อ, อพอไม่ถึงตอนช่วงบ่ายๆเนะี่ะพายุ ซัดเข้ามาต้นไม้โอ้โหปั่นไปปั่นมามันก็ดีเหมือนกันนะเรียกว่าอุตุประจวัดแต่หน้านี้พอมันร้องเลยแสดงว่ามันจะเข้าหนาวถ้ามันหนาวหลายวันถ้าหนาวหลายวันแล้วมันก็ร้องอีกอพอร้องอีกถึงอุ่นและทีนี้ถ้ามันหนาวนะถ้ามันหนาวแล้วมันร้องขึ้นมาอีกอุ่น ถ้ามันอุ่นอากาศร้อนๆเข้ามาห <c oughs> ลายๆวันเข้าไปแล้วก็ร้องเละร้องอย่างขมักขเม่นเนี่ยไม่ใช่ร้องธรรมดาร้องธรรมดาอีกแบบหนึ่งร <c oughs> ้องเพลงธรรมดาเนี่ยสนุกสนานของมันถ้าร้องแบบขมักขเม่นเนี่ยกระแทกเสียงเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแล้วงั้นอ่ะมันต้องหนาวอีก <c oughs> แต่เมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่ามันร้องใส่ใจอยู่นะ ถ้าคอยๆดูมันจะหนาวอีกมั <c> ้ <oughs> อุตุประจำวัดสนชนีชนีสมชายฮ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่เก้าธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดวันพุ่งนี้วันพุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่น่คณะาทายาิโยมเป็นวันเดือนดับ เป็นวันเดือนดับละวันพรุ่งนี้เดือนสิบเดือนสิบสองดับน่นเดื่นดึกนัินเนื่ น, น, เ, น, นเดือนหนึ่งดับลุงพ่อก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะยังไม่ได้ดูปฏิทินนะแต่เป็นวันอุโบสถวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็พวกเราก็โกกออกไปฉันข้างนอกฉันศาลาตรงตรงข้ามกับวัดของเรานะ ะเป็นวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์วันรัฐการที่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจะมามากเราก็ไปฉันข้างนอกถ้าวันธรรมดาเราก็ฉันที่ศาลาหลังนี้ถ้าเราไม่ใช้ศาลาหลังนอกจะเลยมันก็ไม่ได้เราสร้างขึ้นมาแล้วทำขึ้นมาแล้วก็ทำให้มียักเยื่อยักใหญ่ สิ่งสกปรกปฏิกูลเนี่ยขึ้นมาเพราะคนเราไม่ใช้มันถ้าเราใช้มันมันก็สะอาดบ้านเรือนก็สะอาดเพราะนั้นเราต้องหาวันห า, หาวันไปใช้มันะลาข้างนอกนะนก็มีประโยชน์ส่วนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> แต่ข้างในเนี่ยก็กลุ่มน้อย เพราะในวัดของเราสมัยเมื่อหลวงพ่อมาอยู่ใหม่หลวงพ่อไม่ได้คิดไกลคิดใหญ่นะลูกหลานนะคิดน้อยๆจะว่าคิดทำไมจึงคิดน้อยๆเพราะว่าพอสร้างสราขึ้นมาเนี่ยแต่ลงตากระทั่นกระดูอีกตาหากหลวงพ่อก็จะทำให้มันเล็กแต่คนที่ออกแปบบแบบแปลนก็คือคุณมีชัย อารุณสวัสด์สถา ป, ถาปนิกรถไฟเป็นคนออกแบบสลาหลังนี้แต่หลวงพ่อ อ, ออกแบบในแนวแถวของสลาบัานตาดนะแต่ประยุกข์ประยุกข์ขึ้นให้ดีกว่าเพราะว่าเราทำใหม่จุดไหนที่มันบกพร่องจุดไหนที่มัน มันไม่มันบกพ่องเราควรจะทำให้มันดีขึ้นในจุดนั้นอย่างเช่นชายคานะชายคาวัดปาา่าบันตาดประมาณ80เซน้นจากทล า, า, เ, าเวลาฝนตกมากเปียกมดุดเวลาฝนลมพัดนิดหน่อ ย, ยนะหลวงพ่อเออมันชายคาน่นะสั่นเกินไปของเราควรจะเอาสักสเมตรนะ นสายสายชายคาของเราก็เลยยาวแต่เดินมาต่อ อ, อ, อีกเพื่อไมาให้ศาลาข้างล่างเปียก แ, แต่ตะกอดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้นั่นแหะจังมีลูกกงข้างล่างอีกต่างหากตะกอดนพวกศรัทธาญาติโยมพอมาเห็นคงจะเห็นลูกกงศาลาข้างล่างแคบๆทําไมหลวงพ่อทําอย่างนั้นคือหลวงพ่อคิดว่าพระสี่ห้าหกองป พระในแถวนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าพระกรรมฐานนี่ยอยู่ป่ารงพงไพ่ห่างความเจริญถึงขนาดนี้นะพระคงไม่มากพระเขาคงจะอยู่แถบๆใกล้ความเจริญใกลๆเมืองอันนี้พวกเราอยู่ในป่ารงพงไพ่อย่างมากกับพระก็ไม่น่าจะถึงเจ็ดปดองค์ห้าหองสามสี่องค์พอเราบินทบาทมาฉันพอฉันเสร็จแล้วก็ ฉันข้างล่างพอฉันเสร็จแล้วก็สี่ห้าหเจวันแล้วก็น้ําสาดเข้าไปล้างทีนึ่งล้างกระเบื้องแล้วก็เช็ดแล้วก็จบแล้วก็ไปแบบง่ายๆแล้วก็จากนั้นก็หาภาวนาของใครของเราแต่ที่วัดถึงควรจะกว้างเอาไว้เพราะว่าเราจะได้ทุดงเที่ยวทุดงในวัดก็ได้ถ้าที่วัดแคบนะไม่ดีต่อไปภายภาคหน้า เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคนเข้ามาล้อมรอบถ้าวัดแคบเนยเสียงสถานวันไว้เสียงชาวบ้านเขาพูดอะไรเขาตำน้ำพริกก็ได้ยินเขาด่ากันก็ได้ยินเพราะวัดมันแคบนะเพราะนั้นเราต้องเอากว้างเอาไว้เนี่ยหลบพ่อก็เลยพยายามเอาเนื้อที่วัดกว้างเอาไว้ขยายออกแต่ว่าขยายคำนี้น มันเป็นป่าจริงๆประมาณทักสี่ห้าร้อยไร่ประมาณนี้แหละไม่น่าจะถึงอีกต่างหาก เ, เพราะว่าข้างในเขาก็ถางเข้าม า, าถางเข้ามาเราก็สัทธาญาติโยมมาก็ขอต่อรองขอซื้อเขาเพราะเขามีที่ดินไร้ไรแปลงเราก็ซื้อเขาไล่ละห้าสิบาทบ้างร้อยบาทบ้างถ้าสองร้อยบาทแพงแล่ะผิดปกติแลวแพงมาก่ะ แบบว่าหลับหูหลับตาแหละเ อ, อโดยมากเนี่ยนะร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิ บ, บาทร้อยบาทเรื่อยหนึ่งนะแต่เราก็ไม่รู้จักอีกต่างมิจกะเขาแบบประมาณเท่านี้ไหละประมาณเท่านั้นอาจจะกว่าก็ได้อาจจะไปถึงก็ได้เพราะเหตุไรเพราะมันเราไม่มีใครเก่งเรื่องหลังวัดติดต่างหากใช อ, อจากนั้นเราก็ซื้อื้ อ, อขยายออกขยายออกขยายออกเกีย่ยวก็น่าจะพอละทีนี่ว่า กว้างแล้วนะจากนั้นเขาก็ถามว่าหลวงพ่อจะทําอะไรก่อนในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อเอ่ยทําทํารั้วก่อนหลวงพ่อยังไม่มีอะไรนะทำรั้วก่อนหนะลวงพ่อสร้างวัดนะยังไงยังไงก็ต้องให้มีขอบเขตให้มีรั้วซะก่อนยังค่อยคิดอะไรทําอะไรข้างในแต่หากว่าเรามีแต่หลับหูหลับตาสร้างศาลาสร้างกุฏิอะไรหรูหรา แต่พี่น้องชาวบ้านเขาพอเห็นอาคารขึ้นมาแล้วเขาไม่ขายที่ที่มันก็แคบจากนั้นเขาก็บุกลุกเข้ามาอีกผลที่สุดก็เลยวัดก็เลยแคบเพราะนั้นเราต้องเอาที่ไว้ก่อนหลวงพ่อก็เลยเอาที่ไว้ก่อนพอที่เอารั้ว ร, รอบไปเสร็จแล้วที่ไนไม่มีปัญหาแล้วกับชาวบ้านแต่ที่ใหม่ๆกับชาวบ้านก็มีปัญหาอยู่บ้าง ก็ทำความเข้าใจกันพอหมเขากมเป็นบางคนมันก็เป็นนักเรงอยู่บ้างใครท่นนักเรงก็เราซื้อเสร็จแล้วเขาจะจะไปทางอื่นเราเอาไปทางอื่นเราทำทางให้ก็ได้เนี่ยมันก็ไม่เห็นจำเป็นเราจะทำทางให้แต่ไม่จริงเรายอมทุกอย่างนะเรามาอยู่ในป่าดงพงไพยจากนั้นเราก็เนี่แหละ พอทำขึ้นมาก็เป็นวัดล้อมรอบขึ้นมามีจากนั้นก็มีศาลาหลังนี่ศาลาหลังนี้ก็ออกแบบอย่างที่ว่านในช่างรถไฟก่อนที่จะก่อนที่จะสร้างหลวงตากระดุพอสมควรอยู่ศาลาหลังนี้หลวงพ่อยังได้ยินเสียงหลวงตาดุกระทั่งเดียวในยุนในเ p 3มพสมันเดือนไหนวั น, นวันที่เท่าไหร่หลวงพอก็จำไม่ได้ได้ยินเสียงหลวงตาดุ เดื่องสลาวัดป่านาคำน้อยท่านว่าท่านดูว่าสาลาใหญ่พราใครมีคนไปไปร้องท่านให้กราบเรียนท่านท่านก็ได้ยินท่านก็ไม่ถามเราอท่านก็ดุเลยเราก็ยอมรับเพราะท่านดุเราก็เถียงท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่เถียงเหมือนกันอจนกว่าในช่างรถไฟมาอีกกลมหนึ่งบอกท่านอาจารย์ อ่าศาลาของท่านอาจารย์ใหญ่กว่าวัดป่าบ้านตาดใช่ไหมโอ้ไม้เล็กกว่าเอาทําไมเขาว่าใหญ่กว่าน่ะสิปากของเขาเขาว่าใหญ่กว่าแต่หลวงพ่ออแต่อาจารย์วัดแล้วเล็กกว่าอเล็กกว่าบ้านตาดสิบห้าตารางเมตรทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคือหลวงตาบอกว่าฮะถ้าจะสร้างศาลานะทําอินนะ จะสร้างสลาก็สร้างได้แต่แย่มันใหญ่กวัดป่าบานตาดนะให้ใหญ่กว่าคร้งนี้นะหลังนี้มันก็ใหญ่พอแรงเลยรับจอบฟ้าจอเป็นดิ น, นไม่รู้กี่ครั้งทําอะไรมันใหญ่รู้ๆลๆล้าเน่ยรอรับไม่ได้นะเราดูไม่ได้นะกรรมฐานลืมตัวอ่าอย่าทําให้ใหญ่นะเราก็ขับผมในใจว่าจากนั้นเราก็ตลับเมเ็ดอพอพูดกาบเรียนท่านก็นกนเอาในช่างไป หรับเมตรวัดเนี่ยวัดทางกว้างเนี่ยสิบเจ็ดเจดเมตรเนี่ยวัดทางยาวเนี่ยาอะไรเนี่ยทางยาว23าพอคนที่สู่ก็เลยมามาใส่วัดใส่กันของเราเนี่ยกว้างส6หกนะกว้างสบหยาว24นะ แต่ของลงตาเนี่ยกว้างสิบเจ็ดยาวยี่สิบสามแต่ได้ก็มาไล่เลียงเจกันดูห้องเราเนี่ยเล็กกว่าของลงตาเนี่ยสิบพาสิบห้าสิบห้าตารางเมตรเล็กกว่าเราไม่ได้ละม้าในช่างเดี๋ยวคนทั้งหลายก็จะมาเห็นแล้วก็เดี๋ยวลงตาจะดุให้หลวงอาจารย์นะ้ำไปได้นะผมเพลินแล้วท่านอาจารย์ ข้าออกจากน้ำก็เสียศูญเสียทรงมันอีกมันจะน่าดูได้ยังไงขนาดนี้เราพอเหมาะแล้วเออเอาเอาเอาเหลวงพ่อก็ตามใจให้พอสร้างขึ้นมามันชายคามันยาวกว่าทีคนมาเห็นมันมุดขึ้นมาจากป่าเนชายคามันบักใจญ่เยเขาสาราอาจารย์อินเนี่ยมุดอยู่ในป่าหลังมากใจเ คำต่อคำปากต่อปากเนี่ยไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตาได้ยิน Dun ทนะ น, น, นั้นแหลอทําอินนอะเมื่อเราบอกแล้วเนี่ะทําไมทำมาะไรหลูงหลาโอา้อานเรารับไม่ได้นะเพอเผยท่านอย่าไม่ให้เกี่ยววัดท่านอีกต่างหากนะไม่ใช่ธรรมดาได้ของตาเนี่ยโอ้เราก็งอไปพอจงควรเหมือนกันนะเราก็ไม่รู้จะทําไงมันขึ้นเป็นหลังแล้วจะลือก็ใช่เรื่องเท่านั้น อแต่เราก็เฉยเลยทําไปเรื่อยๆจนมันเสร็จในช่างมาจากกรุงเทพ ม, มาท่านอาจารย์มันใหญ่จริงแล้วเนาะไม่ใช่เล็กกว่าเราวัดซะก่อนแล้วค่อยทําเอาเขาทำํำไมเขาจึงว่าใหญ่นั่นไอ้ที่ปากของเข า, าจะทํายังไงได้ล่ะเราไปกราบลีนล้มตาก่อนพอตาตัวคันท่างก็ไม่ได้ถามเราอีกต่างหากท่านก็ดุเลยเราก็ยอมรับนะหลับตาเลยย่ำลง้มตาดุ <c oughs> จะไปเถียงท่านก็ไม่ได้จะไปชี้แจงก็เหมือนกันเราไปแก้ตัวหลวตาไม่ได้นะถ้าท่านดูนะต้องฟังท่านฟังอย่างเดียวนูน่นนานๆเลยเะจะคอยเข้าไปกราบเรียนท่านถ้ามีอะไรใหม่ๆเลยไ ม, ไ ม, ไม่ใครเถียงขึ้นมาเนะ่ยไปยาไปแก้ตัวในขณะที่ท่านดา่าท่านดูนะต้องฟังฟังลูกเดียวปนะิดถูกฟังลูกเดียวก่อน <c oughs> แต่นี่เราก็เอานายช่างมาบอกถ้า ง, งั้นเราก็เลยบอกให้ในายช่างนายช่างไปกราบกราบเรียนท่านเออกราบเรียนท่านท่านะไม่ใหญ่ท่านอาจารย์ผมไปเห็นท่านชาลาท่านอินแล้วนะมันใหญ่แต่ชายคาเนี่ยแหละแต่ตัวอาคารจริงๆนะมันไม่ใหญ่หรอกเล็กกว่าท่านวัดแล้วคอยท่านไปทำเฮ้อเออทั้งเฮ้อจากนั้นมาใครบอโอ้ชาลาอาจารย์อินน่ใหญ่ดำไป ซากโซกโปกด่าอะไรแต่เนี่ยจากนั้นก็เลยเงียบเลยแต่เนี่ยนี่แหละความเป็นมาของวัดของหลวงพ่อไม่ใช่ธรรมดาลและลูกหลานะ้วยหลวงพ่อในใหญ่ก็พ่อก่อกับครูจะทำสิ่งไหนขึ้นมาก็ต้องดูซะก่อนเหมือนกับรังต่อรังแตนต่อเติมไปเรื่อยๆหลวงพ่อไม่ได้สร้างอะไรใหญ่แต่ศาลาข้างนอก สลาข้างนอกหลวงพอ่อถ้าหลวงตายังอยู่หลวงพ่อทําไม่ได้นะลูกหลานพูดตรงๆเลยถ้าทําขึ้นไปหลวงพอ่อเนี่ยโดนเอขาโกคงจะไปกราบเรียนหลวงตาหลวงตากก่งจะคอม็มนหลวงพ่อหน้าดูเหมือนกันอนะ่ะแต่หลวงตาจากไปแล้วเนะี่ยเอเรากลุคนหลังไหลเข้ามาที่วัดของเราอัดแน่นเข้ามาเลยเดินมาจากพูุ่ะจากประตูรนะั้วน่ะ ถ้ามีอะไรตูมตามขึ้นมาแล้วลูกตักถังแก๊สรเบิดอย่างนี้คนจะเหยียบกันตายได้ยังคิดมันน่าจะออกไปอยู่ข้างนอกนี่แหละหลวงพ่อก็เลยมาคิดจุดนั้นพื้นที่ตรงนี้มันไม่รู้จะขยายยังไงถ้าขยายาก็เสียป่าอีกลุงพ่อก็เลยนะทางนู้นก็เป็นที่ของวัดทั้งหมดยี่สิบเจ็ดไร่ตรงนั้นนะ่ะมีกำแพงล้อมรอบทํากำแพงไว้ทําไมจึงมีจุดนั้น ในเมื่อหลวงพ่อสร้างจุดนี้แล้วนะพอมีรว้ทางนี้แล้วนะเขาจะขายจะขายที่ตรงข้ามสมัยนั้นเขาขายเท่าไหร่แสนสี่ยี่สิบกว่าไลนะ่ย7สิบเจ็ดไลนะ่แสนสีเขาอยากจะลดเขาอยากจะได้ลดปริอัพลถโดยสารนะเขาก็เลยขายโอเงินสมัยนั้นท อ, <c oughs> <c oughs> ทอดกระถินทอดกระถินแต่ละปีเนี่ยก็ได้ ปีละห้าหกหมื่นห้าหมื่นห้าหกหมื่นก็พ่อแรงนะเดออยากจะได้แสนสี่โอไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมากว่าที่จะได้ก็เลยเอาหลับหูลับตาเ <c oughs> พราะเหตุไรจึงซื้อไว้ก็เพราะว่าคิดไว้ในอนาคตนะถ้าเราไม่เอาที่แปลงนี้ไว้ต่อไป <c oughs> วัดของเรามีตรงนี้ต่อไปจะมีลาดค้า ร้านค้าร้านอาหารคาราโอเกะอะไรอขึ้นมาตรงหน้าวัดเสียงจนางหวันไหวมาดึงตึงนางมาดึงตึงนาง่วัดของเราถึงจะกว้างก็เถอะมันก็เสียงบรบกวนพระเนในวัดจะทํำยังไงแต่ก็เจงิงหนีหมดเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาไว้ครั้งหน้านหลวงพ่อคิดไก่นะลูกหลานนะหลงพ่อก็เลยเอาตัดสินใจเอาที่แปลงนี้ไว้ <c oughs> จากนั้นก็เลยมีแปลงข้างหน้าจากนั้นก็มีขนถวายมีขนแก่ทางกรุงเทพท่านอาจารย์จะทำอะไรในวัดอืมอยากจะได้กำแพงถึงแล้วถ้าเป็นไปได้แต่ท่านก็ทาก็ทาเลยเพราะดิฉันแก่แล้วปัจจัยก็พอมีอยู่เงินก็พอมีอยู่ท่านอาจารย์จะทำก็ทำเพราะท่านให้ถังน้ทาท่านก็ให้ ระบบน้ำปลาปลาท่านก็ให้หลายหลายอย่างคุณโยมคุณยนะายนับว่าเป็นบุญคุณนะคุณโยมสายหยุดโหรวงแต่นี้ท่านก็บรราไปแล้วอายุเก้าสิบกว่าปีนี่แหละท่านก็มอบปัจจัยให้หลวงพ่อก็ได้ทำมีป้ายขึ้นอยู่นั้นนะระ บ, บุชื่อท่านอยู่นี่แหละจากนั้นก็ได้ทำเอาไว้ทิ้งเอาไว้พอต่อมาวัดของเรามันแน่น หลวงพ่อืออก็น่าจะไปทนะําน่ะก็เลยเนี่ยนะท่านหน่อยที่นั่งทางซ้ายมือหลวงพ่อไปคิดดูซิวะ่ะไปออกแบบออกแปลนเลยสิหลวงพ่อก็เลยเป็นคนกะเกณฑ์พื้นที่เสร็จแล้วก็ได้สร้างศาลาหลังนั้นขึ้นมาเออแต่หลวงพ่อก็ยังคิดบอกยังบอกเราคิดถูกว่นะยังชมตัวเองอยูน่นะลูกหลานนะ ถ, ถ้าเราไม่ทําจุดนั้นเลยงานแต่และงานโอ้โหมันจะขนาดไหนทิเนี่ยพราะเห็นแล้วเห้นลูกล้านผู้ที่เคยมาวัดหลวงพ่อก็คงจะรู้ว่ามันขนาดไหนสิเนี่ยถ้าเราทําตอนนั้นคือมาก็แบ่งเบาตัวนี้ได้ไปตั้งเยอะแยะอแล้วก็เป็นสถานที่ทางวัดอันนี้ก็เป็นที่สถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สําหรับศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็คือหลบหลีกกลีกเลี่ยงอปีกตัวได้ สำหรับโยมผู้ชายเนี่ยจะไปปีกภาวนาทางหลังวัดกับครูบาก็ยังได้กุฏิหลังว่างๆนะต่างๆฝ่ายผู้หญิงนะี่คืออยู่ทางฝ่ายผู้หญิงอุบาสิกาแอดหลวงพ่อก็ยังคิดระบายไปทางนู้นอีกฝ่ายอุบาสิกาไนอะ้ที่มันจะแคบไปสักหน่อยหลวงพ่อไประบายไปทางอําเภอนายูงไอ้บ้านนายูงนะห่างจากที่นี่ไปประมาณ7กิโล6กิโล ก, กว่าเกือบ7กิโลนะ เนื้อที่48ไร่แต่เนี้หลวงพ่อ ก, กำลังสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับฝ่ายอุบาสิกาโดยเฉพาะตัว น, นั้นให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอุบาสิกาผู้ใดสนใจอยากจะมาสือถือสินเนกข่ำเนกขมะก็คือเป็นนักบวชรือบวชบวชชีพรามหรือบ ว, บวชบวชีไปอยู่ที่นั่นก็ได้ในหลวงพ่อกำลัง ทำสถานที่ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ที่แรกหลวงพ่อก็ปฏิเสธเหมือนกันนะสถาญาติโยมในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่รับลอกชีวะ อ, อยุ่งรับแต่พระเนรก็พอแล้วพอหลวงตาท่านบอกเลยท่านท่านบอกให้รับแต่ท่านยับแต่โยมแม่ของท่านนะ อ, อคนอื่นท่านไม่รับมีแต่เพื่อนคุณแม่ของโยมแม่ของท่านคนเดียวหลวงพ่อหอลวงตาท่านบอกมันยุ่งเราก็ไม่เอาเหมือนกันแล้ววะ ชีเอาจากพระเขาพอ่อพอต่อมาเนี่ยนะแต่ตระกูลของตงพ่อเนี่ยเป็นตระกูลชีนะจะทาญาติโยมอย่างคุณแม่ชีแก้วเนี่ยฮนะที่ทํานายหลวงพ่อหนึ่งตั้งชื่อให้หลวงพ่อก็ชีโยมญาติของหลวงหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นชีโยมญาตนะิน โ, โยมอาโยมอาก็เป็นชีโอ้หลายคน ลงสรุปแล้วคือตระกูลหลวงพ่อเป็นตระกูลชีออกปวดออกปฏิบัตินะแต่พอมาถึงหลวงพอ่อหลวงพ่อเนี่ยจะปฏิเสธเนี่ยมันก็อย่างไงอย่างไงอยู่เ อ, อาเถอะวะเอแต่ทางพูมตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติคงมีอยู่เอาเออก็เลยเนะีอยอกตั้งสำนักขึ้นมายดูแลให้ดูแลกันเนอะก็เหมือนกับสำนักของคุณแม่ชีแก้วคุณแม่ชีแก้วท่านก็มี <c oughs> สำนักตรงข้ามกับวัดป่าบ้านห้วยทายเนยะห่างกันประมาณสักเกือบสองกิโลนะอยู่คนละฟากบ้านนะคุณแม่ชีแก้วกแต่นี้ก็มีชีทั้งหมดกันยี่สิบกว่าคนนะเอที่เขาบริหารจัดการดูแลกันเองจากนั้นก็มาจังหันพระอาอาหารไปจากพระสงฆ์บังของเขาบางังผสมประสานกันเขาก็เลี้ยงกันจากนั้นเขาก็ปฏิบัตริรักษาศีลภาวนาของเขาเห็นเห็นแล้วก็อื응้งหน้า เดือมใสเหมือนกันนะั่นแแต่ต้องควอบคุมควบคุมกันให้อยู่เหมือนกันนะเ น, นี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอย่างวัดของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อก็นนะั่นมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเหมือนกันสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่ในครั้งพุทธกาลมีไหมมีแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามที่เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมนะ อ, อห้ามภิกษุดี่แต่ก่อนมีแต่พระเท่านั้นล่ะมีแต่พระบสถในพุทธศาสนาภิกษุสามเณรแต่สําหรับญาติโยมฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผู้สมาทานศีลอุโบสถคือชีชพราหมณ์ลักษณะอย่างนั้นน่ะติแต่ตอนี้แต่นี้ เ, เพื่อพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาไปยาวนานตอนนี้ทั้งฝ่ายอุบ า, า, บาสิกาฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอยากบวชทีน่ะ เออพระองบอกไม่ไม่บวชทําให้ถ้าหากว่าเรายับรับผู้หญิงเข้ามาบวชเนี่ยจะทําให้ศาสนาของเราบัทอนลงไปอีกเพราะนั้นเราจะไม่รับผู้หญิงเออท่านเปรียบเทียบว่าเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ในเอ่อในวงการเนี่ยนะเหมือนกับเหมือนกับตัวบุ้งเออตัวบุ้งเข้ามาลงในานาข้าวนะท่านว่ายัางขนาดนั้นนะลูกหลานนะเออ แต่เรื่องพระองค์ก็บอกเอาแต่ฝ่ายผู้หญิงกับมีมรรคผลเหมือนกันแต่ว่าให้ปฏิบัติอยู่วงนอกก็พอแล้วล่ะะจะเป็นภาระของพระที่นี้นางโคตเม่ไงนางโคตมีคือพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าประสูติเจ็ดวันนะนางสิริมหามายาก็สวรรคตจากนั้นพระบิดาก็นาง สิธิมาหามายามีน้องสาวอยู่คนคือนางโคตเมยจากนั้นพระเจ้าทุโทธทนะก็เห็นว่าควรจะเอาเน่น้องสาวของสิธิมาหามายามาดูแลสิทธัตถะนะก็เลยแต่งงานยกขึ้นเป็นอัครมเหสีคือนางโคตเมย์ดูแลมาดูแลพระพุทธเจ้านะสิท ธ, ธนะัตถะแต่เ บ, บนะเบาอายุเจ็ เจ็ดวันจากนั้นนางโคจะมีรักรักลูกพี่สาวเนี่ยคือจิทธัศน์เนี่ยต่อมานางโคจะมีกันได้ลูกอีกสองคนนันทะนพระนันนายหนุ่มนันทะกับรูปะนันทาได้ลูกสองแต่ลูกสรุปแล้วก็คือ สามคนแต่นางโคตมินรักจิตธาตเนี่ยรักลูกพี่สาวเนี่ยยิ่งกว่าลูกตัวเองเอก็คงจะมีความผูกพันในอดีตชาติด้วยน ะ, ะจากนั้นศิทธาตเนี่ยก็คลองได้อายุยี่สิบเก้าปีทั้งก็ณงไปบวชเมื่อได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนางโคตมีเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกไปบวช นางโกตมีเนี่ยพยายามทำผ้าใยผ้าฝ้ายผ้าใยไหมก็ไม่รู้อ่ะผ้าใยอะไรก็รู้ทำอย่างปราเนียดถึงยังไงสิทธะกลับมาบ้านเมื่ อ, อไหร่จะได้ถวายนะ่ะนางโกตมีคิดถึงขนาดนั้นนะทำจุถึงห้าปีหกปีทำผ้าผืนเนี่ยทำแบบปราเนียดที่สดุดในจิตใจ ขนาดเสื้อเจ้าในเวียงวังนะทำทผ้านะจากนั้นพระองค์ก็ไปบำเพ็ญังหกปีได้ตัสรุปเป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณนนะจากนั้นพระองค์เสด็จกลับมาโปรดพระบิดากับพระพระปรยุพระปริยุรญาตนะิพอมาทานั้นนะ่ะนางโคตเตมีกันนั้นนะได้ผ้าที่ว่าตัวเองทนุถนอมที่ว่าทำให้ดีที่สุด ในจิตใจเขาหาที่ตำหนิไม่ได้ก็ไปกราบถวายพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าที่เป็นประธานสงหมอมชันได้ทําผ้าผืนนี้ตั้งแต่พระองค์เสด็จออกไปหมอมชันทําด้วยความทะนุถนอมอพึ่งเสร็จขอถวายพระพุทธองค์ขอพระองค์ปโปรดเมตตารับและใช้ให้หมอมฉันด้วยเถิดคือพระพระแม่เลี้ยงถวาย ه, คือน้องสาวแม่พ่อพุทธองค์ก็หลับหลับผ้านะพอรับเสร็จท่านก็ได้ผ้าแนละ้สำเรื่องก็ให้พระสารีบุตรอะสารีบุตรเอาไปใช้จัดเห็นไหมผ้าของผ้าของโยมโยมมารดาโยมแม่นางโคตเมท่านเอาไปใช้จ้ะพอพอสารีบุตรได้รับท่านก็เป็นพระทหารใช่ไหท่านรู้ พระจิตเราว่ารู้เรื่องของพระพุทธเจ้าพระาริสาเริ่มนยื่นต่อพระโมคคลาอีกอพอยื่นลงไปจงไปถึงองค์จุดท้ายองค์จุดท้ายนั่งจุดท้ายนั่น่เพื่งผ้าบวชใหม่ฮะเอานางโคแตมีเนวัดใจเนี่ยทุกทุกต่อมตุกทุต่อพราะตัวเองตั้งใจถวายผ้ากับพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจอย่างสูงส่งสูงสุด แต่พระพุทธเจ้าไม่รับไม่ใช้พอไม่ใช้เสร็จก็ส่งไปนางโคตมีเดี๋ยวพวกพวกเราคิดดูซิความตั้งใจถึงขนาดนั้นแหละถวายพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าส่งไปส่งไปจนถึงองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายก็ไม่รู้จะส่งให้ใครใช่ไหมล่ะเออไม่รู้จะส่งให้ใครต่อทั้งก็รับรับพระองค์บอกว่าท่านก็รู้เลยนางโคตมีเนี่ยใจแปล่าแล้วงั้นแต่ความ เสียใจในพระพุทธองค์ไม่รับผ้าพระองค์บอกว่าโคตค ม, คตมีพระองค์ที่รับองค์สุดท้ายนะนะไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาองนี่แต่ต่อไปภายภาคหน้านะจะได้เป็นพระอชิรยเมต ร, รัยรองจากเราตถาคตนนค เ, าเนี่ยนะองค์รองเราในองค์ที่สี่ องค์ที่ห้าเนี่ยเอนี่ยพระศรีอานพระศรีอริยะเมตไตรเนี่ยแหละพวกเราคงบางคนก็ถามว่าพระศรีอานจะได้ได้เกิดมาไหมในศาสนาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้เกิดอนะ่พะพอเกิดมาท่านก็ได้บวชนะอได้บวชก็มาเนี่ยพระพุทธคพระพุทธเจ้ายังยังพูดถึงอยู่เหมือนกันนะ อ, อจากนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้พูดนะท่านบอกเอาเ อ, อโมคลาเอาซิ ไปตามนึีผ้าผืนเนี่ยบอกก็เอาผ้าองค์สุดท้ายยกผ้ายกผ้าขึ้นบนอากาศเซิออนั้นก็ยกผ้าขึ้นบนอากาศอพอยกผ้าบนอากาศเอ้าโมคะลาจะแสดงฤทธิ์ไปเอารับผ้าผืนั้นพ่อโมฆะลาเหาะเลยนะเหอนเหาะเลยผ้านี่ผ้าเผืนั้นวิ่งไปวิ่งมาจนพระโมฆะลารับไม่ได้ ท่านอาจจะอาจจะอาจจะทำอาจจะให้ให้นางโคตมีมองเห็นมั้อผลที่สุดอ้าวเป็นผ้าของใครมผ้าใหม่องค์นั้นขึ้นไปยืนขึ้นมาก็ยกมือสองมือขึ้นมาผ้านักรอยมาเออมาอยู่ในในมือองคงองค์แขนของอพระหนุ่มองค์นั้นพระใหม่องค์นั้นพระองค์บอกว่านีนะโคตมีเอ เธอได้ถวายผ้าให้เราตถาคตนะที่เราไม่รับนะองค์นั้นนะ่ะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตคือชื่อพระศรีอริยะเมตรตรจะมาตรัสในโลกต่อจากเราในพัตธกับนี้มีอยู่ห้าพราะองค์นะกากูันโธโกนคมโนกัสโปโคตโมคือคือเราตถาคตนะโคตะมะนะอริยะเมตโยองค์สุดท้ายเนะี่ยองค์นี้จะได้ตรัส เป็นภาษีอริยเมตรไตรในอนาคตนะนะคุณเธอควรจะภาคภูมิใจนางโคตมีก็หายสงสัยอนุโมทนาสาธุนะ เ, เต็มอกเต็มใจจากนั้นพระรงองค์ก็ประกาศพระศาสนานางโคตมีเนี่ยไม่ไหวยอยากจะบวชเ่ยอยากจะบวชเป็นภิกษุณนะีเนี่อพระองค์บอกว่าไม่รับภิกษุณีไม่รับจากนั้น พระ อ, องค์ก็เดินทางออกจากกรุงกบิลพัทไปถึงกรุงสาปถีนางโคตมีเนี่ยก็เดินตามลงนั่นแะกับบริวารห้าร้อยจะขอบวชเอาผ้าเตรียมไปคนแล้วเพียงพอแล้วก็เดินมาแบบฉบับสมบอมแบบกษัตริย์นางกษัตริย์เดินทางอ่ะคิดดูสิเออมอมแมมเต็มทนเลยพระ อ, อ น, นุนก็ไปถามพระแม่จะทำอะไร จากจำ บ, บวอเขาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะนางโคตัมียเขาจากจำ บ, บวนะเขาเดินตามมาจากแต่กรุงกระบินละพัดขอพระ อ, องค์ทรงเมตตาโปรดให้เขาบวชโดยเถินพระเจ้าคขา้อบวชไม่ได้แล้วบวชเหมือนกับบุ่งลงนาไม่ได้ไม่บวชไปบอกเขานางไปนางก็ น, น้าม้อยหยุดไปไป ขอบวชดด้วยเทินท่านอนุ น, นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าด้วยเทินอนุ น, น์กิมาเอกโอ้ยพระพุทธเจ้าข่าโคตมีดเป็นผู้มีบุญคุณเน่ยได้เลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่แแบบอกขอพระองค์โปรดเมตตาให้เขาบวชดด้วยเทินพระเจ้าข่าเอ้ยไม่ได้แล้วอ น, นุ์เสียระบบเสียระเบียบในการปกครองไปไปบอกเขา มาขออีกครั้งที่สามอ อ, อ้างเหตุผลแบบแบบยกแม่น้ำทางห้ามาเลยท่านี่พระอา น, นุนะเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะพระโต้งเอาเขาจะบวชกบวชแต่เขาต้องรักษาคระลุทำแปดประการก่อนนะ อ, อถ้าเขารักษากระลุทำแปดประการไดนะ้จะให้เขาบวชกระธุทำแปดประการในข้อจุดท้ายข้อหนึ่งนะพิกสุบวชในวันนั้น ภิกษุนีถึงจะร้อยพันษาก็ต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นอันนี้คือคลุธรรมข้อข้อข้อสุดท้ายนะแต่หลายๆข้อหลวงพอ่อคารุธรรมแปดประการไอ้พวกเราอ่านไปอ่านไปศึกษาก็ได้ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าประทานให้กับนางโขตมีนางโขตมีก็สาธุาที่วางที่วางกฎระเบียบให้แปดข้อนะ เหมือนกับพวงมาลาแปดพวงที่สวยงามหมอมฉันน้อมรับพวงมาลานั้นด้วยเสียญเกล้าวนะจากนั้นพระองค์ก็เลยประทานเอาบวชท่านก็เลยบวชเองบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านก็ได้ไม่นานท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระรอรหันต์จากนั้นก็มีบริวารขึ้นมาเรื่อยๆ นี่แหละต้นตระกูลต้นตระกูลของภิกษุณีนะอพระพุทธเจ้าไม่ใช่ให้บวชง่ายๆนะนักบวชนักบวชในเรื่องความเป็นมาของภิกษุณีในครั้งพุทธกาล <c oughs> นะลูกหลานทําหลวงตาหลวงพ่อไม่พูดไม่เล่าไม่กล่าวให้ฟังลูกหลานเขคงจะไม่ไไม่ไม่ค่อยได้ศึกษาไม่ได้ยินนะนี่แหละวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่ง แนวการสร้างวัดด้วยในการสร้างพระด้วยในการสร้างภิกษุณีด้วยนะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟัง <c oughs> ต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรในตรีนะ